ข้อความในเนติปกรณ์ข้อ88หน้าหนึกล่าวถึงบรรดาบุคคลเหล่านั้นก็คือบุคคลผู้เป็นอะไรบ้างบุคคลผู้เป็นราคาจริตโทสะจริญทิฏฐิจริตเป็นต้นเหล่านั้นเนี่ยนะบุคคลเหล่าใดย่อมออกจากวัตฏะด้วยทุกขาปฏิปทาทันทาพิญยาและทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาบุคคลเหล่านั้นเป็นสอง เป็นสองคืออะไรทุกขาปฏิปทาแต่เป็นอย่างตรัสรู้เร็วกับตรัสรู้ช้าบุคคลเหล่าใดย่อมออกจากวัตตะด้วยสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาและสุขาปฏิปทาขิด ป, ป่าภิญญาบุคคลเหล่านั้นนับเป็นสองคือสุขขาเหมือนกันแต่ว่าบางคนตรัสรู้เร็วบางคนตรัสรู้ช้าก็เลยเป็นสองก็กลายเป็นปฏิปทาสี่บุคคลเหล่าใด ย่อมออกจากวัตฏะด้วยสุขาปฏิปทาคิปาพิญญาบุคคลนี้ชื่อว่าคติตันยูคนนี้ตัสรุเร็วแล้วก็ปฏิบัติสะดวกปฏิบัติสะดวปฏิบัติสบายส่วนบุคคลใดย่อมออกจากวัตฏะด้วยข้อปฏิบัติทั่วไปคือคือสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทาคิปปาพิญญาบุคคลนี้ชื่อว่าวิปัญจิตันยู บุคคลใด ย, ย่อมออกจากวัตตาด้วยทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาบุคคลนี้ชื่อว่านายกบุคคลในตารางนี้คงเห็นชัดนะว่าพวกนายกบุคคลทั้งหลายพวกที่ตรัสรูช้ช้าเนี่ยนะวันนี้ปฏิบัติ ด, ด้วยความทุกข์ยากลําบากแล้วก็ตรัสรู้ก็ชา้าเนื่องจากว่าบุคคลเหล่านี้มีอินทรีย์อ่อนมากเนี่ยนะศรัทธาก็อ่อนวิริยะก็อ่อนสติก็อ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็ เมื่ออินทรีห้านี่อ่อนก็ยากที่จะได้ตรัสรู้ส่วนผู้มีอินทรีย์ปานกลางน่นยพวกนนี้ปฏิบัติถึงจะปฏะิปฏิบัติสบายแต่ก็ตรัสรู้ช้าก็มีปฏิบัติลําบากตรัสรู้เร็วก็มีผู้ที่มีอินทรีย์ปานกลางอย่างนี้เรียกว่าวิปัญจิตันยูบุคคลส่วนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าปฏิบัติสบายปฏิบัติสะดวกตรัสรู้ได้เร็วพลนันพวกนี้ก็เป็นอุคติตันยูบุคคล นี้พูดเฉพาะกลุ่มที่บรรลุได้นะพวกที่ไม่บรรลุไม่บรรลุไม่ได้ไม่พูดถึงเพราะพวกนั้นเป็นกลุ่มปัททะปรามะนีนะนะพวกปัททะปรามะก็ได้สั่งสมบุญเพื่อการตรัสรู้ต่อไปในภพต่อๆไปนะนะ ซ, ซึ่งชาตินี้ไม่สามารถตรัสรู้ได้พวกเหล่าใดไม่สามารถตรัสรู้ในชาตินี้ได้พวกนั้นเป็นปัททะปรามะหมดนี่นะนะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงสมถะแก่อุคติตันยูบุคคลทรงแสดงวิปัสนาแก่นยะบุคคลแสดงทั้งสมถะและวิปัสนาแก่วิปัญจิตันยูบุคคลนะฮพ้พุทธพจน์ใดที่กล่าวแต่สมถะเน้นสมถะเป็นพิเศษแสดงว่าคนนั้นเป็นอุคติตันยูแล้วละ่ะถ้าวิปัสนามากเน้นก็แสดงว่าคนนั้นเป็นไนยะบุคคลถ้าแสดงควบคู่คลเคล้ากันไปก็เป็น ปิปัญจิตันยูบุคคลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาอย่างอ่อนมุถุ ก, กังเนี่ยนะมุทุ ก, กังก็คืออ่อนแก่อุคติตันยูบุคคลมาสำนวนว่าพูดแบบเบาๆสบายๆพวกนี้ก็บรรลุได้แล้วอย่างที่พระองค์บอกว่าพวกอุคติตันยูบุคคลไม่ทําให้พระองค์ลําบากนะีพวกนี้ไม่ทําให้พระองค์ลําบากด้วยพระธรรมเทศนาส่วน พระองค์แสดงธรรมเทศธนาอย่างเฉียบคือติฆะเนี่ยนะอย่างเร็วนะนะอย่างหรืออีกในหนึ่งก็อย่างหนักแก่นัยยะบุคคลธรรมเทศธนาทั้งแบบมุทุคืออ่อนแล้วก็ติขะอย่างเฉียบแก่บุคคลวิปัญจิตันญูบุคคลคิดง่ายๆว่าการแสดงธรรมเนี่ยนะแสดงอย่างสำนวน ว, นว่าสบายๆแก่พวกอุคติตันญูแต่พอเจอนัยะบุคคลนี่ก็ นะแม่ก็ต้องหนักหน่อยนะัหนักหน่อยแต่เป็นวิปปัญจิตันยูก็ปานกลางพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมโดยสังเขปแก่อุคติตันยูบุคคลก็คือแสดงแต่สังเขปนะนะย่อๆหัวข้อเขาก็ตรัสรู้ได้แล้วบอกว่ามรรคแปดมีอะไรบ้างเขาก็ปฏิ บ, บัติบรรลุได้แล้วนะวน นัยยะบุคคลเนี่ยนะนัยยะบุคคลเนี่ยโมาแปะแต่ละอย่างมาแจกแจงอย่างพิวิจิตพิสดารหมดเลยจึงจะตรัสรู้ได้ส่วนวิปัญจิตัตนยุบุคคลเนี่ยก็แสดงสังเขป พ, พิสดารหมายความว่าตั้งหัวข้อแล้วขยายความส่วนพวกนัยยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยโอ้ยแสดงอธิบายอย่างละเอียด อีกในหนึ่งก็บอกว่าอุเทศเนี่ยเหมาะกับอุคติตัญยุบุคคนนิเทศเหมาะกับวิปัญจิตันญูบุคคนทั้งอุเทศนิเทศปฏินิเทศเนีเ่ยพวกนัยยะบุคคนเนี่ยนะก็เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ขนมาหมดเลยนะั่นแหละพวกวิปัญจิตันยุเอ่อพวกนัยยะบุคคลนี่เป็นอย่างนั้นบางทีขนมาหมดก็ยังอย่า ง, งั้นยังไม่พออกันนะ่นแสดงพระพุทธเจ้าทรงแสดงนิสรณะนะคือแสดงนิโ ร, ร, รสัจกับมรรสัจะแก่บุคคนอุคติตันยูบุคคล แสดงอาทีนวะนิสรณะก็คือทุกทุกขัสสะจะกับนิโรสัจจะมัคขัจสะแก่วิปัญจิตันยุบุคคลแสดงอส า, า, า, าธอาทีนวะนิสรณะแก่ไนยะบุคบคลนิสรณะก็คือนิโรสัจจะกับมัคขัสสะนะอาทีนวะก็คือทุกขัสจะสรว่พวกไนยะบุคคลทั้งหลายจะต้องฟังอริยสัจสี่อย่างพิสดารนะฟังอย่างวิจิตพิสดาร ในบุคคลเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติอธิปัญญาสิกขาแก่อุคติตัญยูบุคคลบัญญัติอธิจิตตสิกขาแก่วิปัญจิตัญยุบุคคลบัญญัติอธิศิลสิกขาแก่ในยะบุคคลอันเวลาเราฟังธรรมเนี่ยคำพุทธพจน์ใดที่เน้นศีลสู่สใดที่เน้นศีลมากผู้ฟังไม่รู้ได้เลยว่าเป็นอะไรพวกไหนในยะบุคคลถ้าสรรเสริญอธิจิตตสิกขาเป็นอย่างมากก็เป็น วิปัญจิตันยูบุคคลถ้าเน้น อ, อธิปัญญาสิกขามากก็เป็นอุคติตัญยูบุคค ล, ลบุคคลสาเนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปเนื่องจากว่าพวกเขามีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันมีศรัทธาที่แตกต่างกันมีวิริยะที่แตกต่างกันมีสติที่แตกต่างกันมี จิตที่ตั้งมั่นแตกต่างกันแล้วก็มีปัญญาที่แตกต่างกันนะพวกอุปนิสัยต่างๆก็มาต่างกันพระองค์นี้ก็รู้ว่าเขาควรจะฟังพระธรรมหมวดใดฟังเรื่องอะไรฟังแค่ไหนเขาจึงจะตรัสรู้ได้พระองค์ก็แสดงตามจริตและอัธยาศัยของเขาไปบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเหล่าใดย่อมออกจากวัตะด้วยทุกขาปฏิปาทาธันทาพิญญา และทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาบุคคลเหล่านั้นก็นับเป็นสองบุคคลเหล่าใดออกจากวตะด้วยสุขขาปฏิปทาธรรมาภิญญาและสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาบุคคลเหล่านั้นก็นับเป็นสองบุคคลเหล่านี้นนนนถึงจะมีสแต่ก็ย่อลงมาเหลือเหลือสคืออุคติตัญยูวิปัญจิตันยูและนยะบุคคลความต่างนี้อยู่ที่ไหนพวกวิปัญจิตัญยูบุคคลเนี่ยได้สองปฏิปทาใช่ไหม ก็คือสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏาสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาสุขาสวายแต่ว่ารู้ช้าปฏิบัติลําบากแต่ก็พวกรู้เร็วนะในญาตบุคคลก็มีปฏิปทาเดียวอุคติตัญยูบุคคลก็มีปฏิปทาเดียววิปัญจิตันญูบุคคลได้สองปฏิปทาธรรมะต่อไปนี้เป็นสังกิเลสของบุคคลสเหล่านั้น เรอย่างที่รู้กันว่ากุศลมูลอกุศลมูลใช่ไหมเอากุศลมูลอกุศลมูลสงเคราะห์โดยสัจจะสี่อันนี้เป็นนัยยะชื่อว่าติปุคละในเนี่ยนะนี่เราเรียนติปุคละในทุกอย่างก็จะเป็นธรรมะหมวดสหมดติปุคละในนี่คือว่ามีมูลบทเท่าไหร่มีมูลบท6กุศลมูล3อกุศลมูนสามคือว่ามีมูลบท6สังกิเลสของพวก บุคคลเหล่านั้นคือโลพาอากุศลมูลโทสะอกุศลมูลโมหะอากุศลมูลมีทุจริตอีกสาคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทูจริตมีอกุศลวิตกสามคือกายมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกมีอกุศลสัญญาสาคือกายมัญญาพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญามีสัญญาวิปริตอีกสาก็คือนิจาสัญญาสุขสัญญาและ อัตสัญญามีเวทนาสคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนามีทุก ข, ขตาสความทุกข์สามประเภทคือทุกขทุกข์สังขารทุกข์และวิปริณามทุกข์มีไฟอยู่สกองที่แผดเผาคือไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะถูกลูกศรสา อ, อย่างทิ่มแทงลูกศรคือราคะลูกศรคือโทสะลูกศรคือโมหะมีชตาสิ่งที่รกชัดพัวพัน ก็คือราค า, านะสิ่งที่รกชัดคือราคาสิ่งที่รกชัดคือโทสะสิ่งที่รกชัดคือโมหะมีรั้วแห่งบาปอากุศลสามอย่างเนะ<ม>ี่ยนะก็คืออกุศลกายกรรมอกุศลวจีกรรมอกุศลมโนกรรมมีความวิบัตรเริเลวร้ายอยู่ในตัวอีกสามประการคือศีลวิบัติทิฏฐิวิบัติอาจาราวิบัติคือมัญญาวิบัติพวกนี้ก็เป็นธรรมะฝ่ายความเศร้าหมองของบุคคลเหล่านั้นนะี รากเงาคือนะทั้งโดยอนันต์อากุศลมูลรากเงาแห่งความชั่วอากุศลมูลที่เป็นรากเงารากเงาแห่งความชั่วก็ทะลักออกมาทางกายวาจาและใจที่เรียกว่าทุจริตใช่ไหมเรียกว่ารากไม่ดีรากเป็นพิษกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็กลายเป็นทุจริตผู้ที่มีรากมูลเอ่อมีรากเป็นพิษกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเป็นทุจริต มากไปด้วยความคิดที่เป็นอกุศลตรึกไปในเรื่องของอกุศลทั้งหลายเมื่อตรึกไปในอกุศลเท่าใดสัญญาสําคัญหมายก็จําหมายในสิ่งนั้นตรึกเพื่อให้เกิดพยาบาทนะนะพยาบาทสัญญาก็เจริญขึ้นแก่นิดหนึ่งนะเมื่อพยาบาทวิตกมากเท่าใดก็สังสมพยาบาทสัญญามากเท่านั้นกามวิตกมากเพียงใดการมสัญญาก็เพิ่มพูนเพียงนั้น วิหิงสาวิตกมากเพียงใดวิหิงสาสัญญาก็มากผูเพิ่มภูนเพียงนั้นพันผู้ที่รากเง่าเป็นพิษโลภะโทสะโมหะพฤติกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นทุจริตความตรึกนึกคิดของเขาก็เป็นไปกับบาปและอกุศลพันเครื่องอความสาคัญหมายในชีวิตเรียกว่าความทรงจำของบุคคลเหล่านี้ทรงจาแต่ ความพยาบาททรงจำแต่เรื่องการทรงจำแต่เรื่องความเบียดเบียนทรงจำแต่สิ่งที่เป็นไปกับอากุศลพันจึงชำนานก็โกรธได้เร็วเป็นต้นเนี่ยเกลียดได้เร็วชังได้เร็วอากุศลก็เกิดอย่างรวดเร็วพออากุศลสัญญาสำคัญหมายแบบนั้นเนี่ยนะสัญญาที่วิปริตก็จเจริญเอาจเจริญเอาความวิปริตว่าุขบ้างวิปริตว่าเที่ยงวิปริตว่าเป็นอัตตา ความวิปริตเหล่านั้นก็เสวยเวทนาทั้งที่เป็นทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาและอทุกขมสุ ข, ขเวทนา น, น, นะก็ดำรงอยู่ด้วยทุกขตาสามใช่ไหมทุกขทุกวิปริณามะทุก์และสังขารทุกข์ถูกไฟสามกองแผดเผาอยู่ไฟสามกองคือไฟคือราคะหรือไฟคือโทสะไฟคือโมหะแผดเผาถูกลูกศอนทิมแท ง, งนะโลกศรคือราคะโทสะโมหะทิมอยู่นั่นแหละ แล้วก็ภายในเมื่อถูกทิ่มมากๆก็รกชัดเลยรกชัดด้วยราคะโทสะและโมหะนะทะลุความชั่วออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมนะเพราะความวิบัติอยู่3ประการเนี่ยนะมีความวิบัติเสียหายทั้งเสียหายทางศีลทางความประพฤติและทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะก็ดํารงอยู่ด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐินะนะถรกว่าอะไรนะความประพฤติก็วิบัติ การกระทําก็วิบัติความคิดก็วิบัติทุกอย่างก็เลวร้ายพวกที่ศีลวิบัติทิฏวิบัติพระพุทธเจ้าบอกว่าแน่นอนเที่ยงแท้ที่จะตกนรกเนี่ยนะแน่นอนขนาดนั้นแต่บุคคลเหล่านี้ถ้าจะมาแก้ไขกันแก้ไขได้อย่างไรเนี่ยนะที่เรียกว่าหมดจดโวทานถ้าจะชําระก็ต้องค่อยๆชําระโดยลําดับไปชําระด้วยกุศลมูลสอะโลภะอะโทสะอโมหกุศลมูล มาประพฤติสุจริต3าคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกําจัดอกุศลวิตกสามด้วยเนเขมะวิตกอัพยาบาศวิตกและอวิเหงสาวิตกเจริญสมาธิสประการคือสมาธิมีวิตกนะสมาธิมีวิตกมีวิจารสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารสมาธิที่มีวิตกวิจารก็คือปฐมฌาน สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็คือทุติยะฌานปฏติยะฌานเป็นต้นไปก็ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณดํารงมั่นอยู่ในกุศลสัญญาสมคือเนคขัมมะสัญญาอพยาบาสัญญาและอวิหิงสาสัญญาแล้วก็ดํารงอยู่ในสัญญาที่ไม่วิปริตคือใส่ใจตามสภาพที่เป็นจริงโดยอนิจจสัญญาทุกขสัญญาและอนัตตสัญญา มาประพฤติรั้วแห่งกุศลคุณงามความดีคือกาย أ, กุศลกายกรรมกุศลวจีกรรมและกุศลมนโนกรรมตั้งมั่นอยู่ด้วยความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาและก็ความสะอาดทางใจ อ, นนอยู่ในสมบัติ3ประการคือประพฤติในศีลสมบัติสมาธิสมบั ต, บติและก็ปัญญาสมบัติเจริญศึกษาสามอธิศิลสิกขาอธิจิตตศิกษาและอธิปัญญาศิกษา เจริญธรรมขันธ์สามคือศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์หลุดพ้นด้วยวิโมกษ์สามคือสุญญตาวิโมกษ์อ น, นิมิตตาวิโมกษ์และอปปนิหิตตาวิโมกษ์นะ น, นี่ก็เป็นธรรมะฝ่ายความหมดจดที่จะสะอาดหมดจดหลุดพ้นไปจากบาปและอกุศล <c oughs> มันอกุศลมูลก็มีกุศลมูลเป็นเครื่องชำระทุจริตก็มีสุจริตเป็นเครื่องชำระ อกุศลวิตกทั้งหลายก็มีกุศลวิตกเป็นเครื่องชำระเนี่ยนะอกุศลสัญญาก็มีกุศลสัญญาเป็นเครื่องชำระสัญญาที่วิปริตก็มีสัญญาที่ไม่วิปริตเป็นเครื่องชำระเนี่ยนะรั้วแห่งบาปอกุศลก็มีรั้วแห่งกุศลเป็นเครื่องชำระเนี่ยนะเวทนาสามก็ต้องอะไรอะไรสามก็คือจริงปกติแล้วเวทนาสามทุกขเวทนาสามพวกนี้ก็ต้องเจริญด้วยอะไรนะ อันนี้ทุก ข, กขเวทนาก็ต้องเจริญทุกขานุปัสสนาเพื่ออะไรพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นทุกเห็นสุขโดยความเป็นภูษเห็นทุกเป็นดังลูกศรเห็นอทุกคามสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจากเป็นผู้สงบเที่ยวไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นนะนะส่วนถ้าความไม่สะอาดก็แก้ด้วยความสะอาดเป็นตน้นวิบัติก็แก้ด้วยสมบัตินี่นะ ความรกชัดก็แก้ด้วยสิกขาสามเป็นต้นนั้นธรรมะเหล่านี้ก็เป็นธรรมะเครื่องหมดจดเนี่ยนะคุณธรรมเพื่อความหมดจดของสังพวกสังกิเลสคือพวกความเศร้าหมองทั้งหลายสรุปว่าธรรมะเหล่านี้ถึงจะมีสี่นะคือคือพวกวิปลาสสี่เป็นต้นย่อลงมาก็เหลือสามถึงจะมีสามย่อลงมาก็เหลือสองคือตัณหาเจริตกับ ทิฏฐิจิตนะธรรมะสองอ น, น, นย่อมาสองก็คือตัณหากับทิฏฐิใช่ไหมยขยายมาเป็นสามก็อกุศ ล, ลมูลขยายไปเป็นสี่ก็เป็นวิปาสสีถ้ารวมกันเป็นเท่าไหร่อน น, นสองบวกสามบวกสี่ได้เ<า>ก้าอันนี้ฝ่ายอากุศลมีเก้าฝ่ายกุศลที่เป็นปฏิปักิก็ต้องเก้าด้วยกันนะฝ่ายกุศลที่เป็นปฏิปักิ9เก้าตรงกันข้ามกับ ตันหาทิฏก็คือสมถาวิปัสนาตรงกันข้ามกับอกุศลรมูลก็คือกุศลรมูลตรงกันข้ามกับวิปลาสก็คือสติปัะญานหรืออินทรีย์เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นมูลบท18แเนี่ยนะแต่ยอ่อลงมาสรุปมาโดยยอ่ยอยๆก็เหลือบุคคลสองคือพวกตันหาเจริศกับทิฏิเจริศมันบุคคลในโลกก็มีอยู่สองกลุ่มนี่แหละ นะฮะพูดแบบใหญ่ๆกว้างๆเลยนะก็แบบพูดแบบอะไรนะแบบเพศก็ผู้ชายกับผู้หญิงชั้นใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันก็มีอยู่สองโดยจริตก็คือราคาจริญตันหาจริตกับทิฏฐิจริตต่อไปนี้เป็นความเศร้าหมองของบุคคลผู้เป็นตันหาจริญกับทิฏฐิจริญความเศร้าหมองของบุคคลเหล่านี้มีอะไรบ้างตันหาอาวิชชาเป็นความเศร้าหมองความเศร้าหมองทย่อลงมาของพวกตันหากับทิฏฐิเนี่ยนะ มีตันหาอาวิชามีอหิริกะอโนต ป, ปะความไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะอโยนิโสมนัิการและความเกียดคร้านความว่ายากเนี่ยนะแล้วก็อาหางการมีมานะว่าเราม่มังการยึดถือว่าของเราความไม่มีศรัทธาความประมาทการไม่ฟังธรรมการไม่สำรวมอภิชาพยาบาทนิวรสังโยดความโกรธความผูกโกรธ ลบหลู่คุณผู้อื่นเพอรฤษยาตนีมานยาโออวดสัสตาทิฐิและอุชเช ท, ททิฐิ <c oughs> อันนี้ก็คือลักษณะปกติของคนผู้เป็นตันหาจริตกับทิฐิจริตเนี่ยนะโดยมากก็ปล่อยใจให้เป็นไปกับตันหาและอวิชชาเนี่ยนะตันหาก็คือเพลิดเพลินในในวะัตะนะทั้งการมะมตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาอาวิชชาก็คือความปกปิดคุณธรรม ตกปิดรมแปรการตกปิดสัจจะสี่เป็นต้นอหิริกะไม่ละอายใจต่อความชั่วที่ทำอโนตปะก็ไม่เกรงกลัวต่อผลแห่งความชั่วที่กระทำอหิริกะก็คือไม่รู้จักเคารพตนอโนตปะก็ไม่รู้จักเคารพผู้อื่นความไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะก็คือกลุ่มนี้ค่าทั้งศาธกะสัมปชัญญะค่าทั้ง โคจรสัมปัญญาขาทั้งสัปพายะสัมปัญญาขาทั้งอสัมโมหสัมปชัญญะบุคคลเหล่านี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นสัปพายะอะไรไม่เป็นสัพพายะอะไรควรโคจรอะไรไม่ควรโคจรและสภาพที่เป็นจริงของสรรพสิ่งเป็นเช่นใดก็ไม่เข้าใจไม่รู้ซากอย่าง